พระธรรมเทศนาผันที่78็ดบดลำดับที่4โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมในวันที่18มิถุนายน2558มีชื่อเรื่องว่าพื้นฐานการฟังธรรม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 แล้วก็พระก็แปลออกมา <c oughs> <c oughs> เ, เดี๋ยวลูก <c oughs> ราาศรัทธาญาติโยมลูกหลานหลวงพ่อก็จะถามเอ๊ะพระเนี่ยแปลถูกแล้วแปลผิดเนี่ยหลวงพ่อว่ามั่นใจว่าถูกนะเพราะเหตุไรพอหลวงพ่อบางทีหลวงพ่อก็ทบทวนถามดูว่าสมัยอยู่บ้านตากเนี่ยคนนั้นเขาชื่อว่าอย่างไงคนนี้เขาชื่อว่ายยงไงไรพ่อแม่ปู่ย่าตายาย ที่เราอยู่ที่บ้านตากเนี่ยเป็นใครท่านก็พูดมบบบมบบบบบบบบบบบบบบบบบกบบบบบบบบบบะบบบบบบบบบบบบกบบกบบบบบบบบบบบบบบบบยบบงบย่บงบบบบบบบบบบบบบรบบบบบบบบบบบบบบบบบบรบบบบบบบบบบรบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบแต่บบ แต่พระแปลออกมาอมถูกต้องฮนะเพราะฉนั้นหลุงพ่อก็เลยมั่นใจว่าที่พระแปลแปลให้ฟังนั้นคงจะถูกต้องทั้งหมดนะเพราะว่าขนาดลุงพ่อฟังไม่รู้เรื่องเลยนะอแต่พระท่านแปลออกมาเอยใช่หนะลุงพ่อยอมรับเลยความจําของท่านะยังมั่นนะเอจําความจําของท่านนหะนะนะนะลุงปูจําอำแม่นทีเดียวเลยนะที่ไปฟังดู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 หลวงพ่อแนะนําบอกกล่าวทุกวันหลวงพ่อก็คิดเองเหมือนกันนะอถ้าหากว่าต่อไปภายภาคหน้าอาจจะเป็นแบบหลวงปู่บนเมี์ยุดพูดท่านนี่ยหลวงพ่อจะหยุดพูดแล้วจะพูดก็พูดไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีเสียงออะถ้าเสียงกับเสียงแบบก็ท่อนกับแท่นไม่เป็นเรื่องเป็นราวมันก็ต้องหยุดพูดะพออายุมากแล้วนะ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 เราจะไปสอนธรรมะถึงอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ยมันก็ต่อต้านกันอีกทีนี้เพราะนั้นจะต้องปูพื้นฐานขึ้นไปซะก่อนอจนถึงขั้นปริ ญ, ญาเอกเนี่ยก็ต้องเรียนตั้งแต่กอไก่ก่อนอกอไก่ขอไข่ขอขวดไปเรื่อยอจนถึงหนึ่งสองสามนับจากนั้นก็ บ, บวกลบคูณหารวิธีการในเมื่อเรารู้เป็นพื้นฐานแล้วทีนี้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 หกปีนั่นนะท่านทำอย่างไรจุดนั้นนะแต่พอเราได้ศึกษาดูแล้วก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันที่ศิทธะที่ท่านบาเพ็ญอยู่ตั้งหกปีนั่นนะแต่เราไม่พูดถึงถี่หกปีนั้นนะเพราะอันนั้นเป็นการทดสอบทดลองกับเหมือนกับนักวิทยาศาสต์เขาจะทดลองเรื่องอะไรในที่เขาจะต้องการนะาต่อมอะไรอ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 เรามาเกิดมาแล้วเราออกปฏิบัติเนี่ยแหะจุดที่เราได้สําเร็จเนยะปุกเพนิวาสานุสติยานจุตูปปาติยานอาสาคาวอาสาวัคยาญาณ น, นั่นแหละตัวสุดท้ายอาสาวัคยาญาณ น, นั้นยอดเยี่ยมไม่ต้องทําอย่างอื่นแต่ว่าก่อนที่จะทําอาสาวัคยาญาณให้ยอดเยี่ยมจุดนั้นนะ่ะเป็นมาอย่างไรพระพุทธเจ้าบําเพ็ญมาสีอสงไขยกาไรแสนมหากับ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 ท่านบำเพ็ญมาสองอสงไข์ไาคไรแสนมหากรับแต่พูดทั้งนี้ทั้งนั้นมันหลวงพ่อไม่ให้พวกเราน้อยใจเรื่องว่าทุกใจเรื่องว่าพึ่ง บ, บุญบา ร, รมีเก่าแก่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนสงทั้งหลายถ้าผู้ใดก็ตามบาเพ็ญอยู่ในจิติปฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมอันใดอันหนึ่งพิจนารณายอยู่อยู่ในกายตลอด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 ในเมื่อย้อนไปหาตัวผูรู้คือใจใจของเราเนี่ยนะเป็นมันไปรับรู้เรื่องต่างๆในจักรวาลทั้งหลายทั้งปวงนี้เองพระพุทธเจ้าถึงท่านจึงตรัสว่ามโนปุพังคบมาธรรมามโนเสธามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป oh ็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสาเร็จแล้วรวยใจโอ้จุดนี้แน่นอนจริงหนอมันเรื่องทั้งหลายออกมาจากจุดนี้ทั้งหมดเนี่ยเราจะรู้ได้